นอกจากรู้สึกว่าเรามีจริงๆแล้วเราไม่เคยมีอะไรเลยวาระแรกที่พวกเรารู้สึกว่ามีชีวิตคือวาระที่กระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการหิวนมแทบขาดใจตายแต่แล้ววาระนั้นก็ถูกลืมเลือนไปหลังได้รับความอบอุ่นจากการรู้สึกว่ามีแม่ มีทานน้ำนมจากแม่มาเลี้ยงชีวิตจากนั้นเราก็รู้สึกว่ามีของเล่นกระบวนการที่ก่อความรู้สึกว่ามีของเล่นคือได้จับต้องได้เล่นของตามใจนึกเล่นจนรู้สึกเบื่อแล้วเราก็ห่างจากความรู้สึกว่ามีของเล่นลืมของเล่นนั้นไปหายไปไหนก็ไม่รู้จากนั้น ชีวิตก็สร้างกระบวนการอีกมากมายให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีไม่ค่อยต่างจากที่มีของเล่นนั้นมีชุดนักเรียนและชุดนักเรียนก็หายไปมีมือถือแล้วก็ต้องซื้อมือถือใหม่มีแฟนแล้วก็มีการเปลี่ยนแฟนมีงานแล้วก็มีการออกจากงานมีธุรกิจแล้วธุรกิจก็ล้มเลิก แค่มองย้อนไปเพืเพ่อนก็รู้แล้วความรู้สึกว่าได้ใครหรืออะไรมาครองที่แท้เป็นแค่กระบวนการหลอกให้ลงรู้สึกว่ามีเพื่อคลี่คลายกลายเป็นความรู้สึกว่าไม่มีที่มีจริงๆคือความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้แต่ความรู้สึกในตัวตนของเราเองหนึ่งในการเจริญสติรู้กายแบบพุทธคือเมื่อเกิดสมาธิ มีจิตตรงตั้งมั่นรู้กระจ่างแล้วว่าลมหายใจไม่เทียงอิริยาบถไม่เทียงพระพุทธเจ้าให้น้อมจิตระลึกตามจริงว่ากายอันตั้งอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนี้เป็นแค่การประชุมกันชั่วคราวของอวัยวะต่างๆในภาวะรู้ชัดกระจ่างแจ้งนั้นธรรมชาติกายจะแสดงนิมิตความจริงออกมาเอง นั่นคือในไม่ช้ามันจะเน่าเปื่อยผุพังกระจัยกระจายหายไปเป็นอื่นแม้นี้มีความตายไม่ใช่ของจริงแต่ความมีสติรู้ชัดว่าที่แท้เราไม่มีอะไรจริงเลยแม้กระทั่งชีวิตนั่นแหละที่ตรงกับความเป็นจริงต่อให้ยึดครองโลกได้ทั้งใบในที่สุดก็ต้องพบว่าจริงๆเรายึดครองไว้ไม่ได้ แม้แต่กายตัวเองเพียงกายเดียว